โุณสัตตะการณ์โตปุเบนะวะวิชังปุมะปิจังกะตํมบังโหติตันธานะมมะนันนจกตตะติปุจละนันจาสนะปัญญปนันจปานิยปริโอจนนิยปะทันันจฉันดารหานังปิคูนังฉันดาระนนจเตสนวะกุโปสทธานังปาริสุธิยาปิอาหรนนจอุตุขานันจะปคูกเนานาจะกิคูนีนะโมวาโดจติกลทปุริเมสุจตุสุปิเจสุปติปิจังติดานิตุริยาโลกอธิตายะติ อภราหนีดีไม่ิคุนางวัดต่างจันน์เดชพิคูณิกตานิปารินิกไม่ตานิหงเถฉันดาหรณัการิสุธิอาหารนัปัอิมิตังตีมายังอัตภาสังวิจิตรานิสินนังพิคุณนางอภาวโทนาทิอุตุขานังนามเอตตังกติการตังเอตตังอวสิทธนติเอวังอุตุอาจิขังอุตุนิทภะนันทาเสนเฮมันตายมหวัชานานังวเสนนติไม่หงเ อย่างยิ้โมัตอิมัตมิ่นจ่าอุตุมมีอัฏฐอุปสทถะอิมีนาปะเคนะเอโกอุปสทโธจำปะตัเวอุปสัทติกัรตาปัญจอุปสถะอาวสิท้าอิจิเอวังสเบหิอายตมันเบหิอุตุคานังทาระตับบังพิคุกันนกนามอิมตงอุปสทถะเกอุปสัทถะยัจนิปติตาพิคุเอตตกาติพิคุนังกันนกนา อีมัตมิมปัอุกสัเกปัญจภิกสันิปติตาหนเตอิติสเบหิอามนเตหิภิกุกนนนาภิอารตับบังภิคุนีนัโมว่าปัญหาอิดานิตาสันติตาญาติอิิสักรนโอคาสานงุบกิจานังคตตาิสักรโาสานังุมกิจานปติยาปติิมิตตาวันตังนวิางุมาิจางปริงิมิตงโหติอิิเอจคุมาคิเจ เจโซดีวัโซจาตุนดัตติปนารสีชาบังกีนะมัญยาสโรยัตจุปโธโทปนารโสยาวติกาจะปิคู่กรรมปิตาชังคุปโสถาระหาจัตารโววัตโตวาติเรกาปัจจัตาปาราจิกังอนัปนาชังเขนวะอนุขิตาเจจะโคหัสตาปังอวิจหิตวาเอกาซิมาย่งภิตาเจสัจวิกาละโวจนาดีวะเชนะวัตตภากาปติโยเจนวิจันติ เสถันจาหัตาปะเชหัาปะสโตบหิกระนวเชนะวัเตโบโจิวัจนยาุโลเจนะเทเอวันตังุโกสถะกัมมังอิเมหิจตุหิลักขไมหิสังหิตังปตะกันลังนามะโหติกาุงยุตรูปังุปสถะกัมมัตะปตกันลังตังวิิทวาอิดานิกริยามาโนุโปสโทตั้งคิเณนะอนุมาเนตัโโบ